เรื่องเล่าผีหลอนตอนท้าผีในห้องน้ำที่ลาดกระบังเรื่องราวที่จะได้ฟังกันต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2541ที่สถาบันแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังเรื่องราวนี้เป็นการลองดีของเพื่อนๆที่เรียนวิศวะด้วยกันมีอยู่คืนหนึ่ง ในภาคเรียนที่สองเทอมนั้นเราไปเรียนที่ตึก A ชั้นหเราเรียนช่วงเวลาเย็ยนกันทุกวันจนถึงสองทุ่มในชั้นห้านี้เองนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ต้องพบความประหลาดใจทุกคนเมื่อเรามาเรียนตึกนี้ครั้งแร ก, แรกเดินผ่านห้องน้ำหญิงจะมีสารเจ้าติดติดอยู่บนผนังห้องน้า มีดอกไม้ทูบเทียนและน้ำแดงวางอยู่ด้วยแต่เนื่องจากเป็นห้องน้ำหญิงเราจึงแค่เดินผ่านเมื่อเข้าเรียนจึงถามด็อกเตอร์ที่ท่านมาสอนว่าห้องน้ำแห่งนี้มีประวัติอย่างไรท่านก็เล่าเพียงคร่าวๆ ว, ว่านักศึกษายิงอกหักเลยมาผูกคอตายที่นี่เป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งสองคณะไม่ลงรอยกันมาหลายปี เวลาพวกเราเลิกเรียนก็เดินผ่านห้องน้ำนี้ตอนสองทุ่มรู้สึกขนลุกทุกทีทุกคนก็รีบลงตึกกันทั้งนั้นเพราะตึกเทั้งเก่าและค่อนข้างมืดเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งเทอมเพื่อนของผมสองคนชื่อไอเม้งกับไ อ, อ้อ้มันนึกคึกอะไรก็ไม่รู้เกิดอยากลองดีขึ้นมา มันนัดกันไปดูผีที่ตึกเอชั้นห้าห้องน้ำหญิงวันนั้นผมมานั่งทําแล็บอยู่ที่ภาควิชาเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งไอเมง้งมันเดินมาชั้นสองเข้ามาที่ห้องผมกันเพื่อนอีกคนตกใจไรวะโผล่มามืดๆสภาพเป็นไอเมง้งหน้าถลอกแขนมีแผลเป็นทางเลือดซึม ขาซ้ายถากเป็นแผลยาวเลือดไหลเป็นทางพวกเราตกใจมากถามว่าเฮ้ยมึงไปทาอะไรมาไอ้เมง้งเม้งมันมีท่าทางหอบๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูล้างแผลที่ห้องน้ำก่อนมันก็เดินไปล้างสักพักแล้วก็เข้ามาในห้องผมก็ถามมันว่ามึงไปทำอะไรมาเม้งก็เล่าออกมาว่ากูท้ากับไอ้อา ไปดูผีในห้องน้ำหญิงที่ตึกเอตอนนั้นผมขนลุกนิดๆคิดว่ามันเล่นกันซะแล้วเม้งเล่ารายละเอียดว่าได้ขึ้นไปบนตึกประมาณสามทุ่มกว่าๆตอนนั้นไม่มีใครเจ้าหน้าที่ก็กลับกันหมดแล้วทั้งสองคนจึงเดินขึ้นบันไดไปยังห้องน้ำเพื่อความสยดสยองก็ใช้ไฟฉาย สองในห้องน้ำหญิงที่มีสารเจ้าอยู่ทั้งสองมันสนุกกันที่ได้วัดใจกันทำเป็นเดินไปทั่วห้องน้ำกันสองคนเดินสำรวจกันสักพักก็ไม่เห็นมีอะไรไอ้เม้งก็พูดออกมาว่าไหนหลับผีไม่เห็นมีเลยโถเว้ยมาเสียเที่ยวส่วนไอ้อาเมื่อเห็นดังนั้นก็ขนลุกวาบแล้วพูดขึ้นว่าเฮ้ยไอ้เมง มึงพูดอะไรมันไม่ดีนะเว้ยพอๆพรีบกลับกันเถอะทั้งสองคนก็ลงมาจากตึกแล้วก็แยกย้ายกันกลับหอเดินไปคนละทางไอ้เม้งอยู่ซอยจินดาต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับผ่านคณะเกษตรเวลาประมาณสี่ทุ่มช่วงถนนคณะเกษตรสมัยนั้นค่อนข้างมืดก่อนที่จะโค้งขึ้นสะพานข้ามคลองลาดกระบัง ระยะถนนประมาณร้อยเมตรไอเมง้งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆก็มีเงาดำเท่าคนเดินตัดหน้ามันไอเม้งตกใจหากรถเฉแลบไปตามทางทำให้เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ไม่สาหัสมากนักเพราะมันเคยเป็นนักคาราเต้ตัวอ้วนๆ อ, อวบๆนิดหนึง่งพอล้มลงบนถนนได้สักพักมันก็ค่อยๆลุกมองหาคนที่ชนเมื่อกี้ แต่ไม่มีใครสักคนเมงทั้งเจ็บและคนลุกมันว่าเจอแล้วกูเมงก็เข็นมอเตอร์ไซค์ล้อบิดมาที่เก็บที่ภาควิชาแล้วก็มาเจอพวกนี่แหละพวกผมก็พูดว่าเมงไปหาหมอที่จินดารัตก่อนพรุ่งนี้มึงค่อยไปขอขมาวันรุ่งขึ้นผมเจอไอ้อ้าช่วงบ่า ย, ายถามว่ารู้เรื่องไอเม้งไหม ไอ้อ้ามันก็พูดว่าไอาหานะดิเสือกปากดีไปท้าทายเขายิ่งไม่ชอบเด็กวิศวะอยู่แล้วผมถามไอ้อ้ากลับว่าเจอเอะไรไหมเพราะไอเม้งมันเละซะขนาดนั้นไอ้อ้าบอกว่าโอ้ยกูรู้ตัวเลยตั้งแต่ขึ้นจนลงกูไหวาสารตลอดใส่พระก่อนนอนกูก็สวดมนต์หลับสบายทั้งคืนช่วงเย็น ไอ้อ้ากับไอเม้งก็ซื้อดอกไม้ทูปเทียนเดินไปขอขมาที่ศาลนั้นเรื่องนี้พวกเราจำไว้เป็นบทเรียนไม่ควรท้าในสิ่งที่ไม่แน่ใจหลังจากนั้นสิบปีทางคณะต้องการปรับปรุงตึกเอท่านอาจารย์ที่ภาควิชาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปรับปรุงตึกเอต้องเชิญท่านพราหมณ์มาประกอบพธิธีย้ายศาลลง แต่ต้องประหลาดใจท่านพราหมณ์บอกที่นี่แปลกมากต้องทำพิธีหลายครั้งเป็นอาทิตย์กว่าจะย้ายให้เธอมาลงสารใหม่ข้างตึกเอได้อาจารย์ที่คุมงานบอกหลายคนเจอเรื่องแปลกในช่วงนั้นมากทั้งผู้รับเหมาและคนที่มาทำงานตึกนี้อาจารย์เล่าเพียงเท่านี้หากใครได้ไปแถวนั้นอยากเห็นสารใหม่ ก็ขับไปดูได้ที่คณะวิศวะตึกเอติดโรงอาหารวิศวะแต่ขอเตือนก่อนว่าอย่าได้ท้าทายผู้ที่จากโลกไปอย่างไม่สงบเขาอาจจะเล่นงานท่านได้ขออโหสิกรรมด้วยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆ